ในช่วงเ ย, ยนเ็นการยการเสนอและการสอบอารมณ์ช่วงเช้าก็ให้พระท่านได้ให้บทภาวนารปจำวันเป็นท่านเป็ น, น อ, งองค์ไปในช่วงเย็ยนหลวงพ่อก็จะได้ตรวจสอบอารมณ์ที่เราปฏิบัติมาทั้งวันเป็นอย่างไรแล้วก็เสนอหลักการสนับสนุนสิ่งที่เราปฏิบัติ <c oughs> ให้ให้ชัดว่าเราปฏิบัติอยู่ตรงไหนของคำสอนพองพุทธเจ้าแล้วก็แจแ ล, ละเอียดนะโยมสีนวลเป็นไงบ้างวันนี้ข้างนอกข้างนอกจะปร่งกว่าวันนี้อากาศอืมอากาศดีนะข้างนอกอยู่ได้ เราก็ความคิดมีเหลือกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับความรู้สึกอืในเทียบกันแล้วในความรู้สึกกับความคิดอันไรมากกว่าความคิดน่าจะมากกว่าเอา้อเยอะมากกว่าเลยแต่มากกว่าด้วยลักษณะที่เรารู้ไม่ทันหรือส่วนที่รู้ทันเท่าไหร่ส่วนที่รู้ไม่ทันเท่าไหร่ แต่ว่ามันออไอที่รู้ไม่ทันมีไหมที่รู้ไม่ทันก็มีนั่นน่ะมาถามเปอร์เซ็นต์ส่วนนั้นส่วนที่รู้ไม่ทันเออกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยร้หนึ่งน้อยกว่าที่รู้นั่นนี100่อยหนึ่งที่รู้ไม่ทันเลยที่รู้ไม่ทันเดือเท่าไหร่น่าจะประมาณสักยห้า25โยห้ขนาดนั้นเลย เือในความว่ที่มีรู้นะก็มีแต่ว่าในส่วนที่อในส่วนที่ไม่รู้นั่นแหละในส่วนที่เผลอไปนะแต่ในส่วนที่รู้ไม่นับคือในส่วนที่เราไม่ที่เราสึกตัวเรารู้ทันนี่ก็ถือว่ารู้สึกตัวละแต่ว่าหมายควว่ามันปั๊บรู้ปุ๊บนะไม่ใช่ไปทั้งหลายเรื่องเพิ่งรู้อันนี้ไม่นับนะรู้ไม่นับก็นับที่ว่าพอรู้สึกคิดไปปั๊บก็ รู้ว่ า, าคิดก็ดับในส่วนความคิดบางอย่างรู้แล้วไม่ดับมีไหมและรู้ระดับทุกความคิดหรือบางความคิดไม่ดับดับคราแต่บางบางเรอง จ, จะใช้เวลานานขึ้นลไปนานนา น, นเพราะฉะนั้นว่าเรารู้ก็จริงแต่ว่ารู้บางครั้งความคิดนั้นไม่ดับก็ไม่ถือว่าความรู้สึกนั้นมีกําลังระวั ง, งความคิดเป็นความคิดที่เหนียวแน่น เป็นความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลแต่ความคิดที่เหนียวเนะี่ยมีสองอย่างหนึ่งความคิดที่เป็นอารมณ์ที่เกิดจากความพอใจไม่พอใจและความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเช่นว่าออวันนี้ไอ้แซมมันอยู่บ้านหรือเปล่าเนาะมันจะล้านไปไงเนาะอะไรนี่คิดไปเ อ, อ๊ะเที่ยว น, นี้อุงมชุ น, นั้นว่าจะมาเข้าไม่มาเป็นยังไงนี่แค่คิดไปเป็นเหตุให้เหตุเอาผลน ะ, ละนะลักษณะนี้ก็จะรู้ทันยากหน่อย เพราะมันมันมันเป็นจริงใกล้ความจริงเกินไปแต่มันก็ยังเป็นความคิดอยู่ดี <Okay. S 1> คือมันเป็นสิ่งไม่จําเป็นะเพราะมันยังไม่ใช่ความจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นทบทวนิีกทีนะว่าวันนี้ความคิดกับความรู้สึกเทียบ ก, กันแล้วอันไหนมากกว่าต่อความรู้สึกมากกว่าความคิดมีสองลักษณะความคิดที่เรารู้ทันกับรู้ไม่ทันความคิดที่เรารู้ทันก็ถือว่า รู้สึกเราคิดที่รู้ไม่ทันเลยหมายความว่าไม่ได้ตามรู้เลยมันก็คิดๆแล้วก็ลืมไปเลยไม่ได้มันไม่ได้ดับด้วยเพราะการกําหนดรู้แต่มันดับไปโดยธรรมชาติของมันอย่างนี้ทีนี้ในบรรดาความคิดที่รู้ทันเนี่ยเจ็ดิ้าเปอร์ซนเป็นความคิดที่เรารู้ทันอันไหนที่ดับอันไหนที่ยังคิดต่อไปที่ไม่ดับต้องไปดูตรงนั้นด้วย เพราะน น, นอบอกว่าเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะเวลาทําเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำไปดุยดยนะแต่ว่าจะต้องไปเช็คเหล่านี้ในขณะที่รู้รู้สึกเนี่ยชดัดชัดตรงไหนชัดอยู่ได้นานไหมแต่ที่จะมาถามกลางวันเดินกลับไปกลับมารู้สึกว่าความหนักกับความเบาที่เกิดขึ้นในขยะยกลงเนี่ย ในความหนักนั้นมีความเบา อ, อยู่ไหมในความเบาเนี่ยมีความหนักงั้นเวลาเหยียบไปมันจะหนักใช่ไหมยกเท้าขึ้นมันจะเบาแต่ในขณะที่เท้าหนึ่งเบาเท้าหนึ่งก็จะหนักเช่นในความหนักมีความเบาอยู่ในการเกิดนั้นมีการดับอยู่ม่นสื่อไปถึงตัวนั้นแต่ว่าการเกิดดับในส่วนที่เป็นกายหยาบหยาบเนี่ยเราต้องเอาอยูนี้ก่อนเราเห็นได้ชัดใช่ไหมเราเหยียบไปแต่ละครั้งรู้สึกหนักแล้วก็รู้สึกแต่ เราจะรู้สึกหนักอย่างเดียวไม่ได้ในขณะที่อีกขาหนึ่งมันยกมันก็เบาอยู่เนี่ยก็ต้องไปลามรู้สึกเบาด้วยชื่อว่าบางทีรู้จากแต่เกิดแต่ไม่รู้จักดับคือรู้แต่หนักในส่วนทิ่ที่เบาไม่รู้เนื้อไม่รู้จักดับที่มาถามกังวานามาถึงเตัวนั้นแต่ถ้าหากว่าเดินไปโดยที่ไม่ลามรู้สิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยการรู้ของเราก็ไม่เป็นความรู้สึกที่ชัดเจนถูกต้องเป็นความรู้ที่เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาเพราะไม่เห็นการเกิดดับเพราะไม่เห็นการไตรลัก คมรู้สมถะคือรู้รู้ไปเฉยแต่ว่าจิตสงบเฉยแต่ไม่ได้รู้ว่ามันเกิดเมื่อใดมันดับเมืไรมันหนักอย่างไรมันเบาอย่างไรและไอการหนักเบาเนี่เอฟเฟคต่อความรู้สึกเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามรู้ขนาดนั้นจึงไม่เป็นวิปัสสนาในจุนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะไปปฏิบติแค่นั้นยกมือก็เหมือ น, กนยกมือขณะยกขึ้นหนักอย่งไรเบ า, เาลงใช่ไหมยกขึ้นรู้สึกหน่วงนิดหนึงเบาแล้วในขณะ มันมีสองจังหวะเพราะว่าในในช่วงที่ข้างยกหนากกว่าที่ไม่รู้ที่รู้ที่รู้ไม่ทันมีไหมจำไม่ได้เยอะเกินไปอ่าแต่รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างรู้ทันอยู่แต่มันไม่ขาดมีไหมรู้อยู่มันคิดแต่มันไม่ขาดหมายความว่ามันไม่ดับมันคิดไปเรื่อยๆืยรู้อยู่นะ มีไหมแบบนั้นมีไหมมีมแต่จําไม่ได้นี่ทำตัวเองไหลอยู่ทำตัวเองหลเออทำตัวเองไหลอยู่ <c oughs> <c oughs> การลุกการนั่งการย่างการเดินสังเกตไหมถึงความหนักความเบาความสบายไม่สบา ย, ส, บายสังเกตไหม อ, อัานไหนมีมากกว่าสมมติ <c oughs> ลุกนั่งย่างเดินสักสิบครั้งเนี่ยที่จะรู้ชัดๆสักกี่ครั้ง ประมาณสิบครั้งเนี่ยประมาณว่าจะได้สักกี่ครั้งที่รู้ทันเละลายเยอะฮกเจ็ดฟุตเนี่ยเยอะเลยเนี่ยลมขอเตืนตลอดเนาะของตลอดดอกตลอดเก็ย่ามเอาความจริงเรามาปฏิบัติก็เพื่อที่จะมาดูร่วมกันเพื่อเพื่อที่มาช่วยกันจุดนี้ว่าเราเราตรงไหนจับทันจุดไหนท่านก็ค่อยๆบอกกัน ก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่ง <c oughs> ฟังตอนที่เนี่ยวแต่ในช่วงระหว่างวันกนะ็ต้องคอยบอกกันว่าช่วงนี้เป็นไงเห <c oughs> มือนกับการติดตามอันเช็คอันทำถูกหรือไม่ถูกบางทีเราก็ทำเพลินไปแต่อะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้แต่มันก็อยู่ในความเพลิ น, นก็เป็นอะไรที่าาวันเมื่อวานเป็นอภิชาเป็นสมนัติใช่ไหมพอใจสบายใจสุขใจสงบใจ แทนที่มันจะเป็นองค์ของบัญญามันกลับไปเป็นกระมาโบหิขดกับดับไปมันกลับมาดูว่าบดลบดนอืมที่ทางทางที่ถูกเนี่ยพอรู้สึกว่ามันขดเนี่ยต้องมก็ตุนตัวหูซึกให้ชัดเท่านั้นแต่เขาไปบอกบอกมันบอกว่าเออบดลขดเนี่ยทับไปมันมันไปคือตัวขดเนี่ยมันไปตัดมันบดได้มันเกิดไปแล้วแต่เขามาตุนเหตุของมัน เพราะว่าห้องห้ว่าคิดแล้วแไปแต่ตัวที่จะคืดต่อไปนะ <No. S 1> ต้องรู้เท่าทันตัวเหตุของมัน <No. S 1> เหตุที่ให้เกิดความคืดคืออย่าง <No. S 1> ความบูรหุสชัดในปัจจุบันคือโตมันถึงไปเกิดตัวนั้น <No. S 1> แต่ถ้าสมมติว่าบูรหุสปัจจุบันปักความคืดมันก็จะเกิดน้อยลง <No. S 1> แต่ตราบใดที่เขาบูรหุสณนะปัจจุบันบริชัดเนี่ยความคืดนี่เขาไปห้ามเให้คืดมันบ่ได คือห้ามไปได้เดี๋ยวมันก็มาไหมก็ไปกรมาลบไปลบมาอย่างนี้สเพราะมันบริแัดตุนเหตุของมันเหมือนห่างยามันถอนมันตัดแล้วเดี๋ยวพักน้มืเกิดเกิดขึ้นไหมตัดอีกก็เกิดขึ้นใหมแต่ถ้ามาเบ่งตัวความหูชึกของเมียก็ตุนหูชึกชัดๆเหมือนเท่าถอนถอนหญยาขึ้นได้หลักมันพอหลากมันอยู่ตัวหูชึกของเมียไปเมื่อความหูชึกของเมียมันก็ไปเป็นหลักของความคิดอย่านั้นเมื่อหูชึกของเมียปั๊บ ตัวความคิดก็บ่มิมึนบ่มิบนเกิดเพราะมันกลดเมาเป็นตัวลูก oh. พอเขาบลูปับตัวบลูนี้ไปกลายไปเป็นตัวคิดทันบะ oh. ตัวบลูเนี่ยจะไปสร้างตัวคิดพอมันสร้างตัวลูกปับตัวคิดก็เกิดบ่ไดเหมือนกับเขาปิดไฟปิดปับมันมืดมาเปิดปับมืดมันก็ออกไป oh. เขาเผือปับมันก็มืดแต่พ็หูปับมืดมันก็หายไปเห okay. <No> มือนกับเขา <c oughs> เปิดไฟปับ๊บมืดก็หายไปไฟดับปับ๊บมืดก็เข้ามามันเป็นปฏิกิริยาซึ่งเป็นแอคเรแอชชั่นซึ่งกันอะไกันเพราะนั้นถ้าเขาเขาจะไปกำหนดว่าอย่าคิ ด, ค, ดคิดแล้วอย่าฟังคิดบุ๋มเนความจริงอันนั้นเดี๋ยวเอาความคิดไปล่างความคิดมันมันมันเหมือนไปตัดไดอีก โ, โคโคเดี๋ยวก็มาใหม่อีกอแต่เอาตัวรู้ซึ่งเนี่ยไปล่างความคิด มันเาอายาล้างถวยที่มันซกโป่งเนี่ยเอาน้าแกงไปล้างมันบสรสุทสะอาดแต่ก็อเอาน้าสะอาดไปล้างความรู้สึกเอาความรู้สึกไปจัดการ<อ>ทําความรู้สึกคือมาแทนมันคิดกับชังมั่นแต่ว่าความรู้สึกชัดแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็หายไป น, นั่นคือรักที่ถูกนะแต่เขาไปใส่ความคิดมาจัดการได้เอาความคิดดีมาจัดการความคิดบอดีเอาความคิดที่เตือนสติคิดขึ้นมาก็ได้ แต่ว่ามันมันบอดท่านการมันคิดบอท่านแต่ตัวของซึ้งนี่มาท่านการเหมือนกับเขาจะดับไฟเนี่ยเอาขี้ยาขี้แก่พี่อยังไปกบก็ดับได้แต่แค่ควักมันก็ไม่ขึ้นมาไหมแต่จะให้มันดับเราบอกขึ้นมาไหมก็เอาหนามสานเลยเอาสิ่งทุกกันขามเลยเพราะฉะนั้นเขาอยเอาเนือื่นมันบม่มีหนามเด้เอาดินเอาหญ้าเอาอยังไปได้ไปปุ๊กไฟไว้เถอะกันมาให้มันน้ํามันได้อยู่ สักภากหนึ่งเดี๋ยวพ่อมันน้ากับฮอนคุณว่ากัติดไหมแต่ถ้ า, ามีน้ำมันศาสตร์น้าใสดักสนิทตัวหูซึกงของเมียเนี่ยมันเหมือนน้าแต่ตัวขี้มันไฟเพราะฉะนั้นตัวหูซึกที่เขาสร้างเนี่ยเพื่อให้มันเลึกดได้ว่าเออความขึ้นมันมาแล้วดีเขาเดยกับนมาหาตัวนี้ไวๆเห็นไหม <No. S 1> เขาถึงสร้างดูๆเนี่เพื่อให้ส่งความทีของตัวลูกว่ามันมาให้ทนัน พอความคิดม่วตอนใดมันบอกเขาเด้เขาเผยยาำใดก็คิดย่ำนั้นเขาก็ทําตัวบบเผอบปเลยเขาก็กระตุนความคุ้เมียเรื่อยๆแต่เขาบริยาณความคิดแต่ว่าเขาเป็นการศึกษาให้มันชํานานต่อไปในความคิดจะมั่วยางใดนี่เขาจับจุดใดความคิดนี้เขาบริการเพราะเขาจะจับจุดความคุ้มพิ้วคเมียชัดๆความคินี้ก็คาดหายไปเก็ดกันไหนเขาจะโกหกสาความไหวใดก็ทําทำดุ ทำดูดูหูเมยดูดูแต่หูเม่งสิโบแมนเนี่ยเดี๋ยวจุกมือสังเจ้าวเดียวดูดูบ่อยๆอันนี้ภาษาไทยดูดูคือทบ่อยๆนะบ่อยๆก็คือบางทีถ้าหากว่านั่งร่างเวันมากก็ทําแค่นี้ก็ได้แต่ให้รู้จุดใดจุดหนึ่งหูจุดไดจุดหนึ่งก็ได้ว่าอาจะทําเต็มแบบฟอร์มก็ได้หรือแม้แต่ว่ากระตุนให้หูเม่น้อยหนึ่งก็ได้ เอแต่ว่าค่อยค่อยระลึกให้ไปก็จริงบเิสิก็ได้ซื้อๆก็ได้แต่ในคณะเฮานังมันจะมีความหนักนวงปวกเจ็บนั่นเจ็บนี่อยู่เฮาก็คอยระลึกขยับตัวนั้นเบิ่งตัวนั้นเอาตัวคิดมันก็จะขาดหายไปเอากายดับก็ได้เอาเวทนาดับก็ได้เอาจิตดับก็ได้อ่าล้มดับก็ได้แต่ว่าเอากายกับเวทนาดับเนี่ยมันให้เห็นชัดก่อนแต่เอาจิตไปดับจิตเนี่ยมันอีกขั้นตอนหนึ่ง เขาเรียกเอินปรมัตมันก็ไปอีกขั้นตอนหนึง่งแต่ขั้นนี้ให้เอาตัวกายตัวเวทนาเนี่ยไปดับก่อนเวลาไปดับไฟเนี่ยจําเป็นต้องน้ําเสมอไปไหมไม่ต้องไปอั น, นสารเคมีอนนนันั้นแหละนั่นแหละเอาจิตไปดับจิตเอาอารมณ์ไปดับความคิดหรือใช้ระดับสารเคมีแต่เรายังไม่ถึงขั้นที่ไปใช้ตัวนั้นเขาเราียกดับดับด้วยปรมัตอือันนั้นก็อีกขั้นตอนหนึง่งแต่ขั้นตอนนี้ให้ใช้น้ําไว้ก่อน ใช้น้ําดับไปก่อนคือความรู้สึกที่เกิดจากกายกับเวทนาเหมือนน้าแต่ความรู้สึกที่เกิดกับจักจิตที่เป็นประมาสตร์เหมือนกับสารเคมีฉีดพุ่งเดียวเนี่ยนะดับอื ừ, สนิทเข้าใจเนาะพยายา ม, มกระตุ้นให้รู้กระตุ้นด้วยการเคลื่อนไหวมันบริชัดกับเพิ่มตัวเวทนาข้างใ น, นเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงทีงงงง่ห้ามหูซึ้งใดเนี่ยกำลนดหูมันดูดวย มันบ่อยๆเพื่อให้จิตมันมาคุณพอจิตมันคุณเรามันก็จะกลายเป็นตัวหูเมียที่ไหลขึ้นไหลขึ้นพอตัวหูเมียไหลขึ้นเนี่ยตัวคิดมันก็เข้าไปได้มันก็แถวนี่มันซุ่มโฉกด้วยน้ำเนี่ยเวลาไฟล้ำเข้ามาเนี่ยมันเข้าไปได้เลยมันซุ่มมันมันมันไมีเชื่ออเอาใจเลยมันเออนั่นแหละนั่งหน่อยองพอยังบุหงุจซื้อเจ้าได้ไงเชื่อว่าไง ฮะดาะดาดาดาดาไม่ได้มันจะต้องมีสูดาโซดาหรือสีดาดาอย่างเดียววันนี้ความคิดเกิดกี่ครั้งบ่อยไหมประมาณเท่าไหร่ร้อยหนึ่งโอ้โหแปสิบไปเลยแล้วความรู้สึกมีเท่าไหร่ยี่สิบเองเอ้ อะไรอย่างเสี่ยงอันตรายอยู่ก็เวลาเดินเวลานั่งทําความเพียรเนี่ยเห็นทั้งตัวไหมหรือเห็นบางส่วนหรือรู้สึกบางส่วนขณะนั่งทํารู้ยัยงไงบอกให้หลวงพ่อฟั ง, ช, ง, งช่วงที่เรา ท, ำทํำเลยนะเราทั้งตัวรู้ไหมว่ามีความรู้สึกอะไรหนัก้ร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงรู้ไหม อ, อย่างนาีอย่างเธอนั่งอย่างนี้ขณะ น, นั่งหนักตรงนั้นหน่งตรงนี้มีรู้สึกได้ เนี่ยพยายามเลยรู้สึกพวกนี้เข้าไปด้วยนะเพราะว่าเวลาเราก็ไม่เชื่อว่าจะนั่งยกมือตลอดเวลาบางครั้งช่วงไหนที่เราไม่นั่งยกมือเราก็มาดูตัวเวทนาในช่วงไหนที่เวทนามันทําท่าจะไม่ชัดเราก็ช่วยยกมือช่วยไปก็ทำดูทั้งสองอย่างเพราะในชีวิตจริงของเรามันมีทั้งนิ่งทั้งเคลื่อนใช่ไหมบางครั้งเราจะก็เคลื่อนไม่ได้มันจําเปน็นนิ่งแต่ในนิ่งนั่นแหละมันมีตัวรู้สึกอยู่แล้วเวทนาก็เอาตัวนึงเอาตัวนั้นนะนะ แต่ว่าคอยแล้วลึกบ่อยๆมันถึงจะใช้เป็นแต่ถ้าหากว่านานๆใช้ทีลึกทีเนี่ยมันจะใช้ไม่เป็นเหมือนเขียนหนังสือนะ่ะเราเขียนมันบ่อยๆเดี๋ยวมันเขียนเป็นนานๆมานมัน่งเขียนทีมันมันไม่ชานาญลืมนะอยาา่างภาษาเรียนภาษาเนะี่ยต้องเขียนบ่อยๆต้องพูดบ่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวมันเคยจำตัวรู้รู้สึกตัวการเคลื่อนไหวก็ดี <c oughs> ตัวรู้สึกในกายของเรานี่ยต้องต้องคอยใช้บ่อยๆรลึกบ่อยๆใช้คาว่าลึกนึกถึงมันบ่อยๆ คือนึกถึงมันบ่อยๆปั๊บมันก็จะคุ้นเคยพอคุ้นเคยจิตมันก็จะกลับเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเราไม่นึกถึงมันบ่อยๆมันมันก็ไปคุ้นกับความคิดความคิดเราคุ้นกับมันมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาคุ้นกับเจ้านายใหม่ของเราคือตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะต้องมาบ่อยๆเหมือนกระท่องหนังสือมันเขียนหนังสือต้องทำบ่อยๆมันจะคุ้นแล้วความคิดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นความคิดอดีตและอนาคต ไม่ไม่รเลยถึงว่าวคิดถึงเรื่องว่าขเดินนะคะเนไม่ถึงมดที่เดินด อ, อ๋อเลยจะไปเหยียบหรื อ, ป อ, อเปล่าอ๋ออ๋ อ, อ, อเลยถ้าบางที่ไม่มีมดอ่ะไปไปคิดอะไรก็จะคิดอดีตเรื่องงานงานเป็นอดีตอนาคตนอนาคตใช่ไหมบางอย่างก็เป็นอดีตถคามันมีอดีตอนาคตความคิดก็เกิด เพราะว่าความคิดอาศัยอดีตปัจจุบันเกิดอดีตสัญญาปัจจุบันไอควาคิอนาคตเกิดอนาคต อ, าอนาคตสัญญาอาดีตสัญญาแต่ว่าปัจจุบันมันคิดไม่ได้ปัจจุบันมันสัมผัสอยู่เนี่ยตาเห็นไม่ต้องคิดหูได้ยินก็ไม่ต้องคิดใช่ไหม <c oughs> อันนนะนี่ ค, คือคือหลักดูให้เป็นว่าในขณะที่เรานั่งเนี่ยถ้าสติเราละเอียดอ่อนเราก็จะสัมผัสกับเวทนาได้ชัด แต่ถ้าสติของเราหยาบอยู่เวทนาที่มีอยู่เราก็สัมผัสไม่ชัดเพราะมันคุ้นเคยเพราะมันชินแต่ถ้าสมมุติเราสติมากขึ้นมาขึ้นหความเคยชินมันก็จะน้อยลงมาความรู้ข้างในก็จะชัดขึ้นจะปรับกันเข้าใจน ะ, ะดังนั้นในจุดนี้จึงต้องให้ชัดไว้เสมอว่าในขณะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงสํารวจให้เห็นชัดชัด แล้วถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันปวดมันเมื่อยมันหนักมันหน่วงหรือมันร้อนเกินคนเนี่ยเราก็จะต้องบำบัดแต่ถ้าปล่อยมันอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าปล่อยองั้นถือว่าเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าสมมุติมันไม่เกินนะพอทนได้ก็ทนไปเรื่อยๆก่อนทนไปแต่ถ้าหากว่ามันมากไปก็ขยับปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยทุกเกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีแก้ทางกายการที่เรารู้จักการ แก้ไขบำบัดทุกทางกายก็ดีรู้จักการกําหนดรู้ความเป็นไปทางกายก็ดีทางเวทนาก็ดีตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นการสร้างกําลังของสติสามัญญะอาศัยรูปและนามแต่การที่เราไม่ใส่ใจต่อสิ่งทั้งสองสิ่งทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจที่กําลังเป็นไปนี่เองนั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวอวิชชาคือไม่ใส่ใจต่อสิ่งกําลังเกิด ทีนี้ถ้าหากว่าใส่ใจมากก็หมายความว่าวิชาก็เกิดมากใส่ใจน้อยวิชาก็เกิดน้อยอ น, นี้หลักของมันนะเอาละทีนี้หลวงพ่อจะเรียกว่าเสร็จการเรื่องสวบรมแล้ว น, นะในเรื่องต่อไปหลวงพ่ออยากจะพูดถึงเรื่องที่ต่อเนื่องจากวันก่อนที่พูดถึงเรื่องว่าสุขควณธาก่อให้เกิดอะไรบ้างใช่ไหมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าทุกขเวทนาเกิดก่อให้เกิดอะไรบ้าง The root of the painful feeling. Yesterday we talked about the root of the happy feeling. Yeah, so t h e have the many, many, many root. t h e have many uh, step from the heart root, from the big root to the s a t u e n root. How to root up it, go to v a l y d e e p how to go to d p e n e t t วันนี้เราจะพูดถึงว่าทำอย่างไรที่จะรู้เท่าทันทุกเวทนาเพื่อไม่ให้มันขยายรากต่อไปนี่อันนี้หน้าที่ของเรานะแต่ในกรณีที่ความรู้สึกตัวของเรายังไม่แข็งแรงพอเมื่อความรู้สึกสบายเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไม่สบายเนี่ยเรายังตามไม่ทัน ความรู้สึกสบายไม่สบายทางกายซึมเข้าไปสร้างความรู้สึกไม่สบายทางจิตได้อย่างไรเราก็ยังสติอย่างจำไม่ทันแต่ว่าเราจะรู้ไปทางนั้นขณะนั่งเนี่ยเอาตอนแรกเนี่ยความรู้สึกสบายใช่ไหมเปลี่ยนไปรู้สึกความไม่สบายอีกขั้นหนึ่งนะแต่นี่ความรู้สึกไม่สบายมันเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่สบายทางกายเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกไม่สบายทางจิตเนี่ย อย่างไรถ้าเราตามไม่ทันหรือไม่รู้วิธีตามความรู้สึกสไม่สบายทางกายเนี่ยปวดหนั ก, นกเมื่อยเกร็งเครียดเจ็บนั่นเจ็บนี่เนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้ารู้สึกเฉยเฉยเห็นอาการแล้วก็บอบบัดไปเรื่อยโดยที่ไม่มีความพอไม่พอใจหรือความงุหงิดอะไรไม่มีตรงนั้นเรียกว่าแปลงทุกขเวทนาให้เป็นสติได้เพราะ สามารถล็อกความรู้สึกไม่สบายทางกายให้จำกัดอยู่เฉพาะกายไม่ได้ไปสร้างความโูดหิดลำคาญไม่ได้ไปสร้างความเพลิดเพลินไม่ได้ไปสร้างความฉุนเฉียวไม่ได้ไปส้างความเบื่อหน่ายไม่ได้ไปสร้างตัวนั้นแต่มันรู้สึกแค่นี้เฉยๆตรงนี้เรียกว่าเราเปลี่ยนทุกเวทนาทางกายให้เป็นตัวสติปัญญาได้แล้วแต่ในกรณีที่ว่าตัว ตามรู้ของเราเนี่ยมันไม่ได้ทุกครั้งบางครั้งมันก็ตามรู้ทันบางครั้งตามรู้ไม่ทันใช่ในกรณีที่มันเกิดความไม่สบายทางกายแล้วสติตามรู้ไม่ทันมันจะเกิดเป็นเวทนาทางจิตขึ้นมาเรียกว่าโทมรัสะเวทนาแต่สุขเวทนาที่เราตามรู้ไม่ทันมันไปเกิดเป็นโสมรัสะเวทนาใช่แต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาถ้าตามรู้ไม่ทันมัน เข้าไปสู่จิตได้ชื่อใหม่ว่าโทมณสเวทนาแปลว่าความไม่สบายใจความไม่สบายใจก็เราก็ไม่มีสติที่ตามรู้ความไม่สบายใจเลือกโสมนัสสโทมณสเวทนาตามรู้ไม่ทันอีกก็ไปเป็นปฏิฆาคาว่าปฏิฆะรู้ไหมว่าปฏิฆาอารมณ์ปฏิฆายุมสมส่วนคำว่าปฏิฆ า, า, า, า, า, า, าในภาษาอังกฤษใช้ว่าไง ปฏิคะก็รู้สึกขุนๆน่ะรู้สึกเบื่อเบื่อรู้สึกไม่สนุกพอใจช่ว่าไม่พอใจเขาบอกเฉมันรู้สึกไม่สนุกรู้สึกไม่ไม่ชอบอ่ะงุนงิดอ่ะมุดมัดนั่นแหละเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษอับเซดอาจิเตอร์อาริจิเตอฮะ ฮะอาริเทสอาริเทสอ่าปฏิฆาอาิเทสอาิเทสนี่เราก็ยังไม่สามารถปฏิฆาเนี่ยรู้สึกมันก็ไม่ถึงกับโกรธนะแต่รู้สึกไม่ไม่สนุกไม่พอใจเป็นอาิเทสขึ้นมาอาิเทสนี้เนี่คอสต่อไปอีกเราตจำรู้ไม่ทันตัวปฏิฆาอารมณ์ก็เกิดเป็นพยาปาทะีความหงุดหงิดไม่พอใจอิวิว เขาใช้คำวาอีวีหรือพยาบาทะเพราะตัวนี้เข้าไปอยู่ในตัวนิวณ์วใช่ไหพยาบาทะเป็นตัวที่สองของนิวรณ์ทำ น, นะเป็นออชิเทศหรือปฏิฆะและปฏิฆะเราก็สติตามรู้ไปทานอีกก็ไปก่อให้เกิดตัวพยาบาทะงุนกิดลำคาญเบื่อหน่ายไม่ชอบอยากเลิกอยากไปอยากนี้หลบเข้าห้องน้ำบ้างไปหา กินโน่นกินนี่ให้ให้หายลำขาญมังพยาปาทะตรงนี้สติวตาจำไม่ทันล้วก็เลยแล้วแต่มันพาไปใช่ไหมมันพาไปหรือใครพูดอะไรไม่ถูกหูมันไม่สนุกเบือ่อไม่อยากฟังก็เอาไปคิดต่อนั่นตัวพยาปาทักก็เกิดเป็นตัวโทสะใจใจไม่สบายนะ พอเกิดด้วยใจไม่สบายรู้สึกไม่รู้ไม่มหาสาเหตุไม่ได้อะรู้สึกมันไม่สนุกแล้วก็ขุนขุนข้างในโดยโทสะเกิดแล้วและโทสะเราก็ยังตามไม่ทันไม่มีสติเข้าไปตามรู้ก็ให้เกิดอะไรก็ให้เกิดโกทะอ่าโกรธมีอาการคําพูดไม่เพราะสีหน้าเปลี่ยนไปใจขุนมัวโกรธ แล้วก็ติดความรู้สึกอนี้นติดอยู่ในใจติดอารมณ์เขาเรียกติดอารมณ์ตรงนี้เขาเรียกภาษาเขาเรียกอุปนาห哈เข้าไปผูกอันนั้นเอาไว้และอุปนาห哈าตรงนี้นานบ่อยเข้ามาเข้ามันกลายเป็นมานะจะเอาคืน <c oughs> หาเรื่องที่จะตีกลับเก <c oughs> ิดมานะอัตตาขึ้นมาใช่ไหมและมานะตรงนี้ก็จะพัฒนามาเป็นตัว ภา ว, าวะหเห็นไหมภา ว, าวะคือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาดังนั้นตัวนี้จึงเป็นจากอันที่หนึ่งทุกขเวทนาที่ไม่ตามไม่ได้มีสติตามรู้ใช่ไหมความไม่สบายกายไม่มีสติตามรู้มันก็พัฒนามาเป็นโทมานะสเวทนาคือความไม่สนุก โทมรัสสเวธาไม่ได้ถูกตามรู้ด้วยสติพัฒนามาเป็นปฏิฆะและปฏิฆะไม่ได้ถูกตามรู้พัฒนามาเป็นพยาบาทะพยาบาทะไม่ถูกตามรู้กัมาเป็นโทสะโทสะไม่ได้ถูกตามรู้กันพัฒนามาเป็นโกรทะโกรธและโกรทะไม่ได้ถูกตามรู้กันมาเป็นอุปนาหะ วุธะไม่ถูกจำรูป ก, กายมาเป็นตัวมานะอัตตามานะตาเกิดบ่อยเข้าเลยก็เป็นมานานุใสโทสานุใสมานานุสัยโทสานุใสไม่ถูกจำรูป ก, กายมาเป็นตัวภาวะสว ะ, ะกิเลสละเอียดแล้วเมื่อวานตัวสุดท้ายของสุขเวทนาคือตัวกามาสวะใช่ไหมแต่ตัวโทสะมันจะมาลงที่ตัวภาวาสวะเป็น ก, ก, กิเลสที่ละเอียดที่สุด เป็นนิสัยขี้โกรธเป็นนิสัยอารมณ์เสียง่ายอะไรงุนหงิดง่ายใครพูดไม่ถูกหูดูไม่ถูกตาก็ไม่ชอบนี่เขาเรียกเป็นอาสวะมันออกมาเองเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ตั้งใจเราที่มันแสดงแต่มันมนตึกมันออกมาเองมันไหลออกมามันออกม า, มออกมาดูเป็นอาการบางคนเป็นคนขี้โมโหขี้โกรธเจ้าอารมณ์เขาเรียกเจ้าอารมณ์มูดี้อก็มาจากนา<ะ>คนพิบากอ่ะคนพอกในพิบากอา่ะเป็นพี่บาก เพราะว่ามั น, มนสังสมเป็นนิสัยมาสังสมเป็นนิสัยก็เการภาวะสวะมีมีมานะมีอัตตาเนไเฉพาะตัวไม่พอใหญ่อย่างเดียวนะมันพัฒนาไปเป็นสิบกว่าขั้นตอนน่ากลัวเพราะนะั้นไอ้ดยสติที่เราพัฒนาจึงทําเยอะมากเพื่ออะไรถ้าถ้าไม่ทันตรงที่มันทุกเกิดทนาถ้ารู้ไปรู้ทันตอนที่มันเป็นโทมนัสเวทนาก็ยังทันใช่ไม อาทูตสั่งสมทันเอาไปขั้นที่สามเป็นปฏิฆะปฏิฆะยังไม่ดันเอาไปเป็นโกทะโกทะมันมันจะต้องขั้นตอนอะไรแต่ถ้าหักพลุดไปโดยที่ไม่มีสติเลยคนไม่ได้ฝึกนะไม่รุดไปเลยเหมือนตกต้นตกตกักนใดก็หมายความว่ามันมีค้างเลยเหมือนรุดถึงกลิ้งรุดถึงถึงข้างล่างเลยหลนตุ๊บเลยเหมือนนั่นไม่มีค้างเลยแต่ถ้ามีสติอยู่บ้างนะ่ยมันตกตกมันต้องค้างขังนข้นใดก็หนึ่งใช่ไหมก็มยังไม่เจ็บตัวเท่าไหร่ อันนี้คือเขาเรียกพัฒนาการของมันดิวหอดไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นการที่รู้เรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะใส่ใจสร้างความรู้สึกตัวให้มากเพื่อที่จะไปตามรู้ในรายละเอียดของตัวรู้สึกที่เป็นฝ่ายอากุศลนะเป็นฝ่ายอากุศลทีนี้เราก็จะเห็นคุณค่าว่าเออเราทาเนี่ยแล้วทำให้มันถูกคือทำอยังไงทำให้มันเห็นชัด ตลอดว่าทิปตรงไหนปดตรงไหนไม่สบายตรงไหนมันสบายตรงไหนเห็นชัดเข้าชัดเข้ามันก็เกิทักษะ skillful come skillful when we have more skillful it will be a s y to aware of the negative feeling uh, may y step of the painful feeling ibodily painful feeling you cannot be aware of that that they can extend to be other Again, again, again, until the more subtle, from the love, from the heart, painful feeling to be subtle feeling, mm -hmm. that become the habit. Mm -hmm. Such a habit become the habit, and energy dominate you again, f o r you to show you are like this and that. Mm -hmm. That's from the root. Start from the point of painful feeling, you are uh, unaware of that. When you're unaware of that they will transfer to be my like uh, dislike dislike feeling, Dis like feeling. Such dislike feeling ถ้าคุณไม่รู้ตัวของมันอีกครั้งก็จ c o m e other feeling again. ดังนั้นเราจะเห็นว่าสายโซ่ของการพัฒนาการของตัวไม่รู้เนี่ยมันไปได้ไวมาก บนั้นพพุทธเจ้าท่านค้นพบเห็นรากรูปอันนี้ปั๊บเนี่ยโอ้ท่านเห็นต้นตอของเรื่องเหตุเกิดทุกเดอรูตอ o ฟซัฟเฟอร์นิ่ the, the second noble noble truths okay. The first is the suffering o k a The second is the root of suffering or the heart of suffering many many said that เออมันไปพูดใช่คําว่ารักนิ้วมือเดียวมันมเมนไปจิกจิกจิกจิกจิกจัีเน้แต่ว่าถ้าเราสโลว์มูชัคือรักนิ้วมือเดียวเนี่ยเขาสามารถที่ขยายที่นัอ๋อแต่เวลาได้ความมิมันไปยืดเลยเด้แว๊ไปเลยร่อยั่านไปเป็นร้อยขันพันขันเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเพื่อ้ศึกษาให้ชัดก็ให้มาซิมบิฟลายออกทีนี้ เหมือนกับเวลาเขาแข่งกันนะใช่ไชนะกันแค่ปลายจมูกอะใครจูยาวก็หมายความว่าถ้าสายตาธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครชน ะ, ะมันก็จะถ่ายภายพรีวิวใหม่เป็นสโลโมชั่นใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ตัวปริยัตเนี่ยคือตัวมาขยายเป็นสโลโมชั่นมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันก็คือขยายจากของจริงจาก fast action to be slow action ่ย เ, เพราะฉะนั้นพวกที่ติประยะิยัติถึงไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนของความจริงอีกรูปแบบหนึง่งจากภาพที่เรียวกลายมันเป็นสโลโมชั่นเพื่อจะขยายตอนตรงนั้นแต่เราไปคิดไอ้สโลโมชั่นเนี่ยคือของจริงใช่ไหมมันก็ไม่ทันเพะฉะนั้นพวกทําสมถะไม่มีทางทันกิเลสเพราะมันเป็นสโลโมชั่น อ่าช โ, โ, โลชันแอคชั่นแต่มาทำวิปัสนาทำให้รู้ให้ไวที่สุดเท่าที่จะไหวได้นาะมันเกิดลัดใน ม, มือเดียว อ, ะอ่ะเพราะนั้นเวลาโกรธไม่ใช่ว่าใจมันจะไปจึ๊กๆึก๊บ๊บึ๊ทีนิดเนี่ยก็พึ่ดไม่พอใจอ่ะไม่รู้มันมาจากไหนทันทีเลยอ่ะเพื่อรู้มันโกรธไปแล้วไม่พอใจไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกทำความรู้สึกให้ไวที่สุดเหมือนเหมือนที่พ่อเทนบอกว่าเมื่อจะจับหนูเขาต้องฝึกแมวให้มันไวแมวต้องไวกว่าหนูถ้าแมวช้ากว่าหนูจับหนูไม่ได้ ถ้าสติช้ากว่าจิตจักจิตไม่ได้อันนี้มันเรื่การสร้างมาเพราะฉะนั้นสติจึงแปลว่าแล่นแล่นแฟรแล่นแฟสสติมาจากคําว่าสอนใช่ไหมลูกสอนน่ะคาว่าลูกสอนก็สตินี่มาจากลักสับเดียวกันอ่แต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยของภาษาลากเดิมก็คือมันสระาธาตุคือสอนนั่นแ่ะลากเดิมเมื่อลงตีปัจจัยตีตัวนั้นมันไปฆ่าตัวรอเรือเสีย มันเรื่องกายเป็นสติแต่แต่ถ้าไปลงหน้าปัจจัยนี่ตัวรอเรือยังอยู่เช่นสาระใช่ไหมคำว่าสาระกับสติก็อันเดียวกันสาระแปลว่าอะไรแปลว่าที่ระลึกใช่ไหมแต่ว่สติก็รู้สึกตัวระลึกเหมือนกันแต่เราไปแปลคำว่าสาระนอกจากเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วที่พึ่งด้วยสติจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึก มาจากอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาการของลูกศรเอามาเป็นชื่อของสติไงเอามาเขียนภาษาไทยสอนสอขศสลาล เ, าเลือยใช่ไหมอีโร่เป็นชื่อของแอโร่แลนเฟสถ้าแอโร่เนยิงไปแล้วมันช้าเนี่ยมันก็จับสัตว์ไม่ทันใช่ไหมยิงปึ้งเอาสัตว์มันบินหนีแล้วไม่ถูกเพราะนั้นลูกศรต้องไวกว่าสัตว์ต้องจับสัตว์ให้อยู่สติเมื่อกันต้องไวกว่าจิตจิตเหมือนนกเหมือนลิง แต่สตินี่เหมือนลูกศรของในพานที่ยิงมีปึ้งต้องไปสัตว์ไม่ทันรูดัวมันได้เดี๋ยวนี้นเขาพัฒน า, าลูกศรเป็นยะงไฟร์มแอโร่ o ูบีบุลเลตกลายเป็นลูกกระสุนกลายเป็นบ u l เล t กลายเป็นลูกปืนไปเลยใช่ลูกแอโร่ arrow สมัยใหม่ใช่ปึ้งเดียวไปเลยอันนั้นต้องทันนี่คือถือคาว่าสติไม่ใช่ธรรมดานะ แต่เราจะมีวิธีพัฒนาอย่างไรให้มัน land fast แล้วย้ําแล้วอีกย้าแล้วอีกจนเป็น skill skillful ต่นนั้นเราเลือกชื่อคุศสอีกอันหนึ่งเลือก skillful m ใช่ไหมคุณสจิตอ่ะ skillful m คือจิตที่มันมันชำนิชำนาญในการที่จะลึกรู้ในสิ่งที่ดีแทนที่อะไรกระทบ ป, ปั๊บจะมองในสิ่งที่ร้ายเนี่ยนี่เป็นอัน skillful mind จิตที่ไม่ฉลาดใช่ไหมแต่อะไรกระทบ ป, ปับ๊บมองในสิ่งทางที่ดีไว้ก่อน เรวสกิสูลคือนึกในสางที่ดีจนเป็นชำนิชำนาญดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจในรายละเอียดมาเองนั้นเป็นคนอย่างที่บอกแล้วเนี่ยสะเพราจากจุดไม่ละเอียดก็แก้แล้วแก้อีกเอ๊ะแล้วก็ไอ้ธรรมของพระสอนเลยลทำไมเรองทุกอยู่อ่ะเขาว่ายังโกรธอยู่อ่ะเขาว่าไม่ถูกใจยังไม่พอใจอยู่อ่ะ ไปเข้าใจอะไรผิดๆคือยังไม่พอใจทําไมเป็นอย่างนั้นเราไม่มีวาสนาหรือเปล่าอ้อตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่ใช่เราไม่ละเอียดเองแต่คําสอนวุฒิเจ้าละเอียดปนนี่ใช่ไหมเราก็ต้องมาซอยละเอียดใหม่ปรากฏว่าได้เรื่องเลยที น, ยนี้นะเพราะฉะนั้นตอนหลังมาเนี่ยเมื่ออะไรเกิดขึ้นปั๊บมาดูที่กายให้ชัดให้ชัดที่กายก่อนผมไม่ชัดที่กายปั๊บเผอปั๊บมาทะลุถึงจิตแล้วพอทะลุถึงจิตเลยยากเลยทีนี้ เพราะอะไรมันละเอียดใชไหมขนาดกายดวงใจไม่ทันไปเข้าไปหาจิตบิดทันได้งไงคะนั้นก็ดูแต่กายให้มันชัดก่อนพอชัดแต่กายชนานาญแล้วจิตมันก็เริ่มมีกําลังพอเริ่มมีกำลังก็เหมือนเราฟีดอาหารให้กับแมวอะ่ะแมวมีกําลังทั้งไวทั้งเร็วทั้งดุใช่ไหมมันก็ไปจับมันทันนะเพราะฉะนั้นหลพเทียนใช่ว่าดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นประมาทดูอะไรสักนิดนิดพ่าน ดูกายเคลื่อนไหวดูเจเขาก็ได้เอาสโลแกนของนี้ฉันสั้นดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นปรมัตุดูอริสัทเห็นนิพพานดูกายเทงจิตดูคิดเห็นธรรมถ้าอยากเห็นธรรมก็ดูคิดนะแต่ว่าต้องดูกายให้เป็นก่อนนะถ้าดูกายไม่เป็นไปดูคิดไี่เสร็จเลยจะเข้าไปในความคิดเฉยเลยอันนี้คือหลักของมันเอาละในอีกอันหนึ่ง คือว่าตามว่าสุขเ ว, เวทนา ม, นมันมีสามใช่ไหมโยมสี่นวนมีอะไรบ้างสุขเวทนาความสบายกายทุกเวทนาขอามไม่สบายกายแล้วอันกันอะไรที่ส่วนดมาเมื่อกี้อ่ะทุกกรรมาสุขขังทุกกรรมมาสุขอ่าทุกกรรมมาสุขนี่แปลยากนะแปลว่าไม่สุขไม่ทุกเอ๊ะมันยังไงมันต้องสุขไม่สุขก็ต้องทุกอะ่ะแต่ว่ามันจะสุขระดับไหนทุกระดับไหนใช่ไหม ไอตัวสุขระดับอ่อนๆทุกระดับอ่อนๆ น, นี่ก็เรียกอาทุกขมสุข mm hmm. คือจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงนะจึงเรียกว่าตัวอาทุกขมาสุขคือเขาเขาเรียกว่าเฉยๆเป็นกลางใช่แต่ความจริงมันไม่ได้กลางหรอกแต่ว่าไม่ชัดเท่านั้นเองนะแต่ว่าไอตัวอทุกขมาสุขเป็นเรื่องที่ยากพรุ่งนี้ค่อยมาเจรนา ก, กันไอเฉพาะวันนี้อาทุกขมาสุกเขาพอแรงหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ก็พยายามตามรู้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะไปทันตัวรู้ตัวนี้นะคือทําเก็บารายละเอียดให้มากขึ้นเก็บารายละเอียดให้มากขึ้นทั้งกายทั้งเวทนาขยาับรู้ยกรู้ให้สนุกกับตัวรู้งั้นนะ่ะเอาจนทําทให้มันสนุกกับตัวรู้ให้ได้ตรงนั้นเร า, าถึงจะเวิร์กแต่เรายังเบื่อเบื่ออยากอยากเอาบ้างไม่เอาบา้ า, บางนี่ยากอ่ะต้องมันต้องสนุกในการรู้สึกตัว can be possible can be <laughs> ไอ้หนูเข้าใจมไหมเข้าใจนะเจ้ามีบุญละ ด, ดูดูกายแล้วได้ของแถมดูกายแท้ๆแล้วได้ของแถมคือจิตอ๋าซื้อมาได้ต้องดูกายเรื่องดูกายดูกายไม่ใช่ดูกายดูกายให้ชัดด้ว ย, ยอ่าถ้าไม่ชัดแล้วมันก็ไม่ทันตัวมันจะไหลไปสูตต่ตัวจิตนะตอนนั้นเรื่องนี้มี มาดูแล้วมันเป็นเรื่องน่าศึกษามากแต่ทําไมคนไม่ศึกษาเป็นเรื่องที่น่าก็าเลยอดไม่ได้ที่ต้องทํางานเรื่องนี้ไงมันรู้ได้ไม่ยากอะแต่ทําไมเขาศึกษาหนึ่งเขายังไม่เข้าใจเ <c oughs> ขายังไม่เข้าใจว่ามันดียังไง <c oughs> เพื่อนาที่ของเราคือไปบอกให้เขาเข้าใจกันไดะบอกเข้าใจเ อ, อยอย่างงี้นะบางคนมีบุญเขาก็สนใจบางคนไม่มีบุญถึงจะรู้มันดีฉันก็ไม่เอาเพราะว่ามันยังไม่มีบุญบุญยังไม่เกิดก็ปล่อยเข้าไป แล้วก็ไปเชื่อคนที่มีบุญนะคนที่มีปัญญานั้นก็ตอนเย็นในเราพูดกันนะความมุนนา